หน้านี้นะเราก็เริ่มจะสังเกตนะเห็นความเป็นแปลงที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ทั้งหลายนะทั้งที่อยู่ในสวนหรืออยู่ในป่า ก, ก็ตามบางต้นก็เหี่ยวแห้งขอตกใบเหลืองแต่ก็มีหลายต้นที่ใบยังเขียวอยู่นะแล้วก็ดูยัง สดชื่นดูจากภายนอกนี่เราก็บอกได้นะว่าบางต้นเนี่ยรากมันตื้นแต่บางต้นนี่รากนี่ลึกต้นที่รากตื้นเนี่ยก็มักจะเหี่ยวแห้งพอตกเพราะว่านาดินเนี่ยมันแห้งต้นไม้ที่รากตื้นก็ไม่มีน้ำนะไปหล่อเลี้ยง ลำต้นรอเลี้ยงกิ่งรอเลี้ยงใบส่วนต้นที่รากลึกนะแม้ว่าหน้าดินมันจะแห้งนะแต่ว่ายิ่งลึกเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งมีความชื้นมีน้ำสามารถที่จะดูดน้าและเกือแร่แร่ธาตุนี้ไปเลี้ยงลำต้นกิ่งใบนะความลึกของรากนี่มันสำคัญโนะดยเพราะ ในหน้าแรงเนี่ยซึ่งไม่มีฝนหน้าฝนเนี่ยมันมีฝนตกอยู่สม่ำเสมอต้นไม้ที่แม้จะมีรากตื้นก็อยู่ได้แถมออกดอกสวยงามแต่พอไม่มีฝนจากฟ้าเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องพึ่งน้ำจากดินแต่น้ำที่หน้าดินนั่นก็ค่อยๆแห้งหายระเหิดหายไป ไม้ลากตื่นอยี่ก่อน่ช yeah. ่ซึ่งส่วนใหญ่คือเพื่อล้มลุกนั่นแหละส่วนไม้ที่ลากตืเนี่ยมันก็เป็นไม้ยืนต้นซึ่งเราก็ดูได้นะจากลำต้นที่สูงเนี่ยเราก็คาเนยได้ว่านะรากมันต้องลึกส่วนต้นที่เป็นไม้พุ่มหรือว่า ต้นเตี้ยนี่เราก็คเนดได้เหมือนกันนะว่าลากมันตื่นแม้ว่าใบามันยังเขียวขอไม่ตกเพราะถ้ารากตื่นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะชูลําต้นให้สูงเกินระดับของมันได้กาดที่ราก ต้นที่ ล, ลึกนี่ยิ่งลึกเท่าไหร่ก็สามารถที่จะส่งลำต้นให้สูงสูงเป็นสิบเมตรนะบิงทีหลายสิบเมตรเลยทีเดียวไม่คงค้ายคนนะนะคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยก็มีทั้งส่วนที่เป็น ภายนอกที่แสดงออกจากการงานสถานภาพคนะวามรับผิดชอบอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ราเห็นได้จากภายนอกแต่มันก็ต้องอาศัยนะอาศัยฐานใจที่อย่างลึกเพราะถ้าเกิดว่าแม้ มีสถานภาพที่สูงมีภาระความรับผิดชอบที่สูงมากแต่ถ้าหากว่าฐานใจตื้นไม่ลึกเจอปัญหาเจออุปสรรคมันก็เสียสูญได้ง่ายเหมือ น, นต้นไม้เนี่ยถ้ า, าว่าล่างไม่ลึกพอแต่ว่าดันมีลำต้นที่สูงเนี่ยพอโดนลมแรงๆโดนพายุ มันก็ล้มคือลงมาได้ง่ายรากเนี่ยมันทำหน้าที่นะยึดลำต้นให้สามารถที่จะทานแรงลมแรงพายุไม่ล้มง่ายๆแต่มีความมั่นคงและนอกจากนั้นก็ยังสามารถส่งน้ำเนี่ยไลท่านเนี่ยจากใต้ดินเนี่ยไปเลี้ยงลำต้นกิ่งใบ ยิงลากลึกเท่าไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ไปถึงแหล่งน้ำบางทีก็บีตานาน้ำอยู่ไม่ไกลไม่ต้องพึ่งฝนจากฟ้าเอาเปรียบคนก็คือว่าเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีลาบย ด, ดทรัพย์สมบัติ หรือว่าคำชื่นชมสารเสริญจากภายนอกจากคงรอบข้างจากสังคมแต่ก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างสบายสบายในนี้คือมีความสุขต้นไม้เนี่ยที่มีรากอย่างลึกนะเขาเขาไม่ต้องพึ่งฝนจากฟ้ามากก็ได้ เหมือนคนที่มีฐานใจที่หยางลึกก็ไม่ไม่พึ่งทรัพย์สินเงินทองโชคลาภนะเกียรติยศชื่อเสียงจากภายนอกจากสังคมไม่เหมือนพืชล้มลุกนะมันก็ต้องอาศัยต้นอาศัยฝนจากฟ้าก็เหมือนคนที่ถ้าหากว่าฐานใจไม่หยางลึกเนี่ยนะก็ย่อมหอยหาความ ความสุขจากสิ่งเสพนะความสุขจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความสุขจากเงินทองนะความสุขจากชื่อเสียงความสุขจากการยอมรับคาชื่นชมสรรเสริมถ้าหมดเมื่อไหร่หรือไม่มีหงอยเลยนะคนที่หงอยเนี่ยเวลาไม่เคยมีทรัพย์สินเงินทองมาก ไม่ค่อยมีชื่อเสียงไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับเนี่ยอันนี้เพราะว่าเขาขาดฐานใจที่หยางลึกเพราะถ้าเอาไว้ใจนี่มันหยางลึกเนี่ยมันก็สามารถจะเข้าถึงความสุขภายในอความสุขนี่ถ้าจะว่าไปแล้วก็มีสองอย่างความสุขจากภายนอกความสุขจากภายในความสุขจากภายนอกเราเรียกละการมาสุขสุขจากรูกเรากินเสียงสัมผัสสุขจากการเสพ ส่วนสุขภายในเนี่ยมันเป็นสุขที่เกิดจากความสงบภายในเป็นสุขที่เกิดจากความกระจ่างแจ้งในความจริงของชีวิตหรือความจริงตามกฎธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็จึงมีความสุขหล่อเลี้ยงอยู่เสมอแม้ว่าจะไม่รวยแม้ว่าอาจจะยากจนได้ซ้ำจะก็ยิ้มยานแจ่มใสเสมอ เพราะเขมีความสุขจากภายในซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการมีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีอาจจะเกิดจากศรัทธาในศาสนาและาจจะรวมถึงการที่ได้ฝึกฝนพัฒนาตนด้วยการภาวนาหรือการบําเพ็ญทางจิตในการภาวนาหรือการบําเพ็ญทางจิตเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกับน้ำเนะ เหมือนน้ําที่มันไปหล่อเลี้ยงรากหล่อเลี้ยงลําต้นหล่อเลี้ยงใบหล่อเลี้ยงกิ่งเวลาเราเจริญสติทําสมาธิภาวนาเนี่ยมันคือการที่เราอบํารุงเลี้ยงฐานใจภายในต้นไม้ต้องการนัน้นฉันใดน ใจเราก็ต้องการนะเรียกว่าธรรมะสติความรู้สึกตัวสมาธิมันเป็นเหมือนกับน้ำที่หล่อเลี้ยงใจนะให้สดชื่นเหมือนกับน้ำนะใต้ดินหรือน้ำจากฟ้าเนี่ยที่มันช่วยหล่อเลี้ยง ทั้งรากทั้งลำต้นทั้งกิ่งทั้งใบแล้วก็รวมไปถึงดอกผลที่เกิดขึ้นตามมาด้วยต้นไม้ขาดน้ำไม่ได้ฉันใดนะใจเราเนี่ยก็ขาดอรร ม, มะหรือขาดกุศลรธรรมไม่ได้ฉันนั่นเดียวเพราะาสติสมาธิความรู้สึกตัวปัญญาเป็นต้นเนะี่ยนั้นถือว่าเราเนี่ย ต้องการที่จะมีชีวิตที่มั่นคงและผาสุกเนี่ยเนยและรวมทั้งเป็นอิสระจากสิ่งเสบภายนอกมันไม่ว่าจะเป็นลาบยศสุขสรเสริญเนี่ยในการที่เรามาเติมคุณธรรมภายใ น, นด้วยการเจริญสติการทำสมาธิ การทำกรรมฐานหรือการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วเมื่อฐานใจเราอย่างลึกเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การทำงานของเราที่ปรากฏสู่ภายนอกเนี่ยมันเป็นไปด้วยดีผู้ยางคือว่า ง, งานภายนอกเนี่ยนะมันแยกไม่ออกจากงานภายในเหมือนกับ ลำต้นของต้นไม้เนี่ยสูงได้เนี่ยก็เพราะมีรากที่ยั่งลึกยิ่งมีลำยิ่งมีรากที่ลึกเท่าไหร่ลำต้นก็สูงมากเท่านั้นฉะนั้นก็ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีอถ้าเราอยากให้งานภายนอกอเราเนี่ยมันออกมาเกิดประโยชน์เกื้อกูลประสบความสําเร็จก่อให้เกิดผลดีเนี่ยมันขาดไม่ได้นะงานภายในเนี่ย งานภายในคืองานที่ยังฐานใจให้มันลึกลงไปเรื่อยๆนะแล้วขณะเดียวกันก็เป็นการเติมนะเติมน้ำหรือเติมความสุขนะเพื่อหล่อเลี้ยงใจพอใจมีความสุขสดชื่นนะมันก็มีเร็วแรงนะมีกำลังที่จะทำงาน ภายนอกได้ไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินการทำงานอาชีพการรับผิดชอบต่อส่วนรวมหรือแม้แต่การดูแลลูกดูแลหลานดูแลพ่อแม่การดูแลคุณเร่ารักอันนี้เรเรียกว่า เ, เป็นงานภายนอกซึ่งมันแยกมาองจากงานภายในนะอันนี้คือสิ่งที่คนมักจะมองข้ามไปเวลาก็พูดถึงハウทูเนี่ยหรือว่า วิธีที่จะประสบความสำเร็จนะในการงานในชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับการทำงานภายในเท่าไหร่จนกระทั่งมาระยะหลังนี่แหละที่เห็นความสำคัญนะของการทำงานภายในเช่นการเจริญสติเดี๋ยวนี้ก็มีบริษัทใหญ่หญๆหลายแห่งนี่เขาก็ส่งเสริมนะให้เจ้าที่หรือพนังเขาเนี่ยพนักงานเขาเนี่ย มีเวลาสำหรับการทำงานภายในอย่างกูเกิลถึงนะเขาก็เป็นบริษัทใหญ่นะที่เขาต้องอาศัยคนที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ทำงานหนักมากแต่ว่าเขาก็ส่งเสริมนะให้คนเจหน้าที่่างเขาเนี่ยทำงานภายในเขาเรียกว่า search inside yourself ก็คือการแสวงหาด้านในของชีวิต ก็คือการเจริญสติการทำสมาธินั่นแหละเพียงแต่เขาไม่ใช้คำว่าเจริญสติทำสมาธิหรือมีดิตเช่นเพราะมันดูเป็นศาสนาก็เลยใช้คำที่มันดึงดูดคนทั่วไปได้แม้คนที่ไม่นับถือศาสนาคือการแสวงหาแสหาคุณค่าแสวงหาความสุขหรือแสวงหาความหมายของชีวิตด้านในซึ่งเราก็เรียกว่า งานภายในนั่นเงถงานภายนอกงานภายในมันแยกจะกกันไม่ได้นะถ้าเกิดว่างานภายในเราลาดทิ้งทำให้ฐานใจของเราเนี่ยมันมันไม่ยั่งลึกแล้วก็ทำให้มันไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขภายในได้รวมทั้งความสงบทำงานภายนอกไปทำงานไปเรื่อยๆก็หมดแรงเรียวกว่าเสียศูนย์หรือหมดไฟ จิตสลายเนี่ยเบิร์นเอานี่เป็นเันเยอะเลยเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งอายุแค่ไม่ถึงสามสิบนี่ก็เรียกว่าหมดสภาพไปซะแล้วเพราะทำงานหนักไม่ใช่แค่ว่าทำงานหนักแล้วไม่ค่อยได้พักผ่อนเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นเพราะเราเลยภายในไม่สามารถที่จะจัดการกับความเครียดไม่สามารถที่จะ อจัดการกับอารมณ์ที่มันหมักหมมอารมณ์เป็นพิษที่มันหมักหมมในใจในร่างกายเราเนี่ยมันยังมีการขับถ่ายของเสียนะสิ่งที่เป็นพิษออกจากร่างกายจิตเราก็มีนะวิธีการขับถ่ายอารมณ์ที่เป็นพิษออกไปจากใจสติสมาธินี่แหละเนี่ย แต่พอไม่เปิดโอกาสให้สติได้ทำงานไม่เปิดอกไม่ให้เวลาการเจริญสมาธิอารมณ์ที่เป็นพิษเนี่ยมันก็สะสมหมักหมมขั้นมากจนกันทั่งทำให้หลายคนเนี่ยเสียศูนย์สติแตกหรือว่ามันทีถึงกับซึมเศร้าไปเลยห่อเหี่ยวทั้งที่อายุมาถึงสามสิบทั้งที่มีเวลาเที่ยวยดูหนังฟังเพลงกัน มากมายนะแต่สุดท้ายก็ไอการทำอย่างนั้นแหละที่ทำให้จิตใจเหนื่อยอ่อนงานภายนอกเนี่ยนะกับงานภายในเนี่ยมันต้องไปด้วยกันงานภายในเนี่ยนะพูดง่ายคือการฝึกจิตนั่นเองรูปแบบที่ชัดเจนคือการเจริญสติการทำสมาธิซึ่งแต่ที่จริงมันก็มี วิธีการได้หลายอย่างแต่เจริญสตินี่สำคัญมากนะว่าถ้าเราเจริญสติสม่ำเสมอเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเนี่ยช่มชื้นเบิกบานเพราะว่าสตินี่เป็นตัวชำระสิ่งหมักหมมในจิตใจรวมทั้งป้องกันไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยเข้ม า, ขมามาครอบงาจิต เวลาพูดถึงงานภายนอกกับงานภายในต้องไปด้วยกันเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าจะต้องตําจะต้องทําไปทีละลาดับทีละส่วนนะอย่างเช่นจันยิงสุขทํางานภายนอกสาวที่ถึงมาทํางานภายในไม่ใช่ที่มันก็ทําทด้วยกันไปได้นะหรือว่าเวลาทําอะไรด้วยทําอะไรอย่างมีสติการทําอะไรอย่างมีสติเนี่ยมันคือการทํางานนอกกับงานในไปด้วยกันเลย ทีจริงงานภายนอกเนี่ยอย่าไปเคี้ว่าหมายถึงเฉพาะเรื่องที่เป็นงานอาชีพงานที่มันเป็นเรื่องเป็นราวนะที่มีผลเป็นรูปธรรมนะแม้ว่าทั่การรับรู้เนี่ยการรับรู้โลกภายนอกเนี่ยกับการรับรู้โลกภายในเนี่ยมันก็ต้องไปด้วยกันนะอย่างเช่นเวลาตายเห็นรูปเนี่ยหูได้ยินเสียงเนี่ยอันนี้เรียกว่าการเป็นการรับรู้โลกภายนอกมันต้องทำคู่ไปกับการอ่า ทำงานภายในหรือการรับรู้โลกภายในด้วยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยแม้รูปกระทบตาเนี่ยหรือเสียงกระทบหูนะแต่ถ้าใจเนี่ยมันกำลังหมกบุ่นคุค้นคิดกับอะไรบางอย่างหรือว่ากำลังมีความเศร้าโศกเสียใจบางทีการรับรู้ไม่เกิดขึ้นนะ รูปกระทบตาแต่ไม่เห็นเสียงกระทบผูแต่ไม่ได้ยินเพราะตอนนั้นใจเนี่ยกาลังคิดกำลังหมกบุนกับอะไรบางอย่างผู้ง่ายคือใจมันไม่ว่างการที่ตาการที่รูปกระทบตาเสียงกระทบผู้แล้วเนี่ยเราจะได้ยินหรือได้เห็นเนี่ยใจมันต้องว่างนะพอถ้าใจเนี่ยคิดโน่นคิด น, น, ดนี่ใจลอยเนี่ยคนเรียกก็ไม่ได้ยิน คนเดินผ่านก็มองไม่เห็นนะไม่ใช่ตาบอดไม่ใช่ว่าหุนหนวแต่เพราะใจมันไม่รับรู้หรือถึงรับรู้ก็รับรู้แบบบิดเบี้ยวคนะลาดเคลื่อนอันนี้เร่าเพราะอคติเอเชนถ้าโกรธหรือว่ากำลังมีความกลัวเนี่ยมันก็เห็นความจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเสียงเนี่ยคลาดเคลื่อน ในการรับรู้โลกภายนอกเนี่ยมันจึงต้องอาศัยการรับรู้หรือทํางานภายในด้วยเรื่องที่เราฝึกเจริญสติเนี่ยนะเราก็จะเห็นความสําคัญเลยนะว่าเนี่ยเวลารู้โลกภายนอกเนี่ยมันต้องรู้โลกภายในด้วยอยที่เขาเรียกว่ารู้นอกต้องรู้ในด้วยนะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนนะรู้นอกให้แล้วรู้นอกแล้วก็รู้ในด้วย เช่นว่ารูปกระทบตาก็มีสติเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเสียงกระทบหูนะก็มีสติเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะช่วยทําให้ความคิดและอารมณ์ที่เกิดจากการกระทบนั้นเนี่ยมันมันไม่ทํำลายจิต ข, ของเราอยู่อย่างเช่นเสียงด่าหรือเสียง ถึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยมากระทบหูเนี่ยก็ธรรมดาเนะส่วนใหญ่ก็ใจก็จะกระเพื่อมเกิดความหงุดหงิดเกิดความราคาญเกิดความโกรธแต่ถ้าสติเนี่ยมันเห็นอารมณ์เหล่านี้เนี่ยให้ความหงุดหงิดความโกรธมันก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้นะรับรู้โลกภายนอกแต่ว่าใจไม่ทุกใจเป็นปกติ แล้วเนี่ยคือสิ่งที่เวลาเรามาเจริญสติเนี่ยเราก็มาฝึกตรงนี้แหละแล้วก็ไม่ใช่มาฝึกเฉพาะเวลาเจริญสตินะเวลาออกไปสู่โลกภายนอกการรู้นอกรู้ในเนี่ยก็ควรจะไปด้วยกันตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะมาทำเฉพาะเวลาเจริญสติที่จริงเวลาเรา เดินจงกลมหรือสร้างจังหวะเนี่ยนะครูบาอาจารย์ก็สอนนะว่าเหตุกายเคลื่อนไหวกายมันเคลื่อนไหวภายนอกกายมันเคลื่อนไหวส่วนสติเห็นอะไรนะเห็นความรู้สึกหรือรับรู้ความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นจะทํากันได้เนี่ยสติเนี่ยใจเนี่ยไม่ต้องอยู่กับนื้กับตัวนะเพราะถ้าใจไม่อยู่กับนื้กับตัวเนี่ย ใจคิดโน่นคิดนี่เนี่ยเดินก็ไม่รู้ว่าเดินนะไม่รู้สึกว่าเท้าขย่อนตัวขยับเลยได้ซ้ำหรือยกมือสรทางจังหวะเนี่ยถ้าใจลอยคิดโน่นคิดนี่เนี่ยยกมือไปมันก็ยกแต่มือนะแต่ใจไม่ไปรับรู้หรือเกิดความรู้สึกว่ามือมันขย่อนขยั บ, ยบอันนี้ก็เรียกว่า มันทําแต่งานภายนอกนะหรือทําแต่ทําแต่กายนะแต่ว่าใจไม่รับรู้แต่ว่าเรามาฝึกเนี่ยเพื่อให้ไม่ใช่แค่กายทําอะไรแต่ใจก็รับรู้นะรับรู้อย่างแรกเนี่ยก็คือรับรู้การเคลื่อนไหวของกายอันนี้ก็เรียกว่าทํางานภายนอกและทํางานภายในคู่กันไปอย่างน้อยๆเนี่ย เวลาใจมันลอยเนี่ยก็มีสติรู้ทั น, นวางความคิดนั้นลงแล้วกลับมารู้กายต่อไปเนี่ยนะเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยแล้วใจมันคิดนึกเกิดอารมณ์จะเป็นเสียงเพลงเสียงนกหรือว่าเสียงพูดคุยกันเสียงริงโทนโทรศัพท์พอมันกระทบหูใจเนี่ยกระเพื่อมปรุงแต่งเป็นความคิดเป็นอารมณ์ก็เห็นนะ แต่ว่าเราไม่ได้ทำอย่างนี้เฉพาะเวลาเรามาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะแต่เวลาเราใช้ชีวิตประจาวันเช็นอาบน้าถูฟันกินข้าวล้างหน้าเก็บที่นอนก็เหมือนกันขณะที่มือเก็บที่นอนนะใจมันก็เห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นหรือถึงไม่มีความคิดเกิดขึ้นก็จะรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายขณะที่ หมอนหรือว่าพับเสือหรือว่าพับผ้าหม่มถ้าเรารู้จักทำงานภายนอกกับงานภายในเนี่ยพกคู่กันไปเนี่ยนะสติเราก็จะเจริญความสึกตัวเราก็จะมากและสติและความสึกตัวเนี่ยก็จะช่วยทำให้ใจเราเนี่ยเป็นปกติได้ง่ายเวลาเรารู้พึกเราภายนอกเนี่ยนะเราต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกาย แต่เวลาเรารับรู้โลกภายในเนี่ยเราใส่สตินะซึ่งเปลี่ยนมันก็ตามในรับรู้โลกภายนอกเนี่ยนะมันเหมือนกับการรับรู้มันพุ่งออกไปข้างนอกแต่การรับรู้โลกภายในหรือความคิดอารมณ์เนี่ยเป็นการรับรู้ที่มันพุ่งเข้ามาข้างในพุ่งนอกแล้วพุ่งในเนี่ยซึ่งมันไปด้วยกันได้นะเรียกว่า t in o เลยก็ได้หมายควาเวลาเรา เห็นอะไรได้ยินอะไรเนี่ยไม่ใช่แค่เห็นรูปหรือต้นเสียงจากภายนอกแต่ว่าเห็นใจนะหรือเห็นอารมณ์ที่มันคิดนึกอพาทางนี้บ่อยๆเนี่ยนะมันก็เป็นการช่วยทำให้สติของเราแข็งแรงความรู้สุกตัวเราก็ดีขึ้นแล้วมันก็ช่วยเติมมันก็เติมหยดน้ำนะเติมน้ำ ให้กับต้นไมนะ้ต้นไม้ในใจของเราเนี่ยพอได้น้ําอยู่เรื่อยๆก็ยังลากลึกแล้วก็แทงต้นสูงสุดท้ายเกิดความร่มเย็นภายในเวลาครูบาอาจารย์สอนเนี่ยให้รู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมก็คือการสอนให้เรารู้จักนะรู้น ร, รู้นอกเรารู้ใน ทำงานภายนอกและทํางานภายในไปด้วยกันซึ่งจะช่วยทําให้ฐานใจของเราเนี่ยยั่งลึกแล้วก็ทําให้ช่วยเรามั่นคงแต่ถ้าเจ้าอธิบายให้มันให้มันชัดเจนอีกหน่อยก็ต้องพูดว่าเนี่ยรู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจรู้ใจคิดนึกเมื่อเจอผัสสะหมายคว่าเวลาทํากิจทํำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําด้วยตัว แต่ว่าใจก็รับรู้ถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่รับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทำทั้งกายทำทั้งใจนะนะมือก็อาจจะล้างจานแต่ใจก็มารับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายอันนี้เรารู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทำกิจ แต่บางทีใครที่ล้งางใจนี่ใจมันคิดนึกไปนะก็มีสติรู้ความคิดที่มันไหลออกไปนอกตัวก็พาใจพาจิตกลับมารู้จักความคิดและอารมณ์แต่ว่าความเคลือาลมมันไม่ได้เกิดขึ้นจากขณะที่เราทำนั่นทำนี่อย่างเดียวนะอาจจะลมหนึ่งเวลาเราเจอนั่นเจอนี่ด้ยวยนะเจอเสียงดังเจอเสียงนกร้องชิภัยร้อ หรือว่าเจอคำพูดทั้งคำชมและคำตำหนิหรือว่าเจอความร้อนเจออากาศหนาวเวลาเจอหรือมีการกระทบแบบนี้มันก็ต้องมักจะมีความคิดเกิดขึ้นยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจนะหรือว่าบนไวไว่นโวยวายตีโพยตีพายก็ให้มีสติเห็นนะเห็นความคิดนึก ซึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยทำสองอย่างไปด้วยกันเลยก็คือทำงานภายนอกงานภายในายงานภายนอกคือการรับรู้รู้รสกินเสียงนะที่มากระทบส่วนงานภายในยคือเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทบนั้นและเช่นเดียวกันเวลาทำนั่นทำนี่เนี่ยรด น, น้นต้นไม้ล้างจานนะหรือว่าเดินไปเดินมานี่รวมทั้งทำงานทำการ ที่เป็นเรื่องของอาชีพการงานทำครัวทำอาหารอันนี้เรียกว่าเป็นงานภายนอกแต่ว่าทำเนี่ยใจก็รับรู้ถึงสิ่งที่ทำเกิดความรู้สึกตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่รวมทั้งรู้เห็นความคิดแล้วลมที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากงานที่ทำหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้แต่ใจมันคิดโน่นคิดนี่ ก็รู้เนี่ยนี่คืองานภายในนะหรือจะเรียกว่าเป็นการรู้ในก็ได้ถ้าเราขยันนมันรู้นอกรู้ในไปด้วยกันเสมอหรือทำงานภายนอกทำงานภายในไปด้วยกันเสมอเนี่ยมันก็ทำให้ฐานใจของเราอย่างลึกแล้วจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความมั่นคงทำงานอะไรมันก็ไปได้ดีแม้จะล้มเหลวแต่ก็ไม่ทุกข์ เอาความลวมเหลวความผิดพาพเป็นครูแลเมื่อความเจริญก้าวหน้ารวมทั้งเป็นงานที่เกิดประโยชน์กับส่วนรวมเพราะว่ามีใจที่มีคุณภาพเนี่ยนะมันเป็นตัวขับเคลื่อนไป็ตัวกำกับ